อีกข้อหนึ่งศัตรูต้องการให้ศัตรูเป็นยังไงขอให้คนผู้นั้นพึงนอนเป็นทุกข์อ่ะแล้วใครใครทุกข์นอนทุกข์กันแน่ก็คนขี่โกรธนั่นแหละนอนเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆนะมันนอนก็ไม่หลับอึดอัดกระฟัดกระเฟีย ด, ด, ด, ดโอ้ยจะหลับตาก็ไม่ลงเนียนะเครียดไปหมดเลยนะนอนไม่หลับมันศัตรูปรารถนาขอให้ศัตรูนอนเป็นทุกข์เราโกรธเนี่ยเท่ากับทําอย่างที่ศัตรูเขาต้องการเพราะเราก็ นอนเป็นทุกข์นอนเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะผลคือเราโกรธเราเองทีนี้คนที่โกรธเนี่ยไอ้ศัตรูปรารถนาต่อศัตรูว่าขออย่าให้มันมีทรัพย์พอใช้จ่ายคนที่โกรธเนี่ยนะขนาดยิ่งโกรธมากเนี่ยยิ่งเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมไม่ที่มาก็ไม่รู้หายไปไหนหมดไอ้ที่ไม่มาก็ไม่รู้หายเงียบไปหมดเพรา ะ, ะนั้นมักโกรธจริงๆถ้าความโกรธครอบงำจริงๆก็เดือดร้อนในเรื่องทรัพย์เนี่ยนะเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราโกรธ คนที่เขาจะให้ทรัพย์เราเนี่ยนะเขาจะให้เราไหมก็ไม่ให้เพราะนั้นคนโกรธนี่ค้าขายแล้วจะเจริญขึ้นไหมอ่า น, นะให้คนขี้โกรธอยู่หน้าร้านสัเฝ้าหน้าร้านสักคนอย่างนั้นนะเอาไว้ไล่แขกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะนั้นคนที่ขี้โกรธก็เป็นลักษณะนั้นเพราะไม่มีทรัพย์พอจะใช้จ่าย น, นะแล้วก็คนศัตรูปรารถนาเสียต่อศัตรูบอกขอให้พวกทรัพย์มันเสียหายนะขอให้มันชิบหายด้วยโภกทรัพย์ ใครที่โกรธมากๆในที่สุดก็ทําลายพ่อข้ัพย์ของตัวเองเลยทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็คนที่ศัตรูก็ปรารถนาต่อศัตรูขออย่าให้มันมียศคนขี้โกรธเนี่ยไร้ญาติขาดมิตรกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบเลยไม่มีพักมีพวกไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยนะเงาอยู่คนเดียวคนขี้โกรธมันก็ชอบอีกนะเอออยู่คนเดียวก็สบายใจดีอะไาณนั้นนะเวลาที่โกรธขึ้นมานี่มันดีหมดอ่ะนะนี่ต่อไปคนที่โกรธ ศัตรูการก็บอกขออย่าให้มันไม่มีเพื่อนอย่าให้มันมีเพื่อนเ็าต้องการให้มันหัวเดียวกระเทียมรีบคนขี้โกรธแะ้ ว, วมันได้อย่างนั้นก่อนคนโกรธเนี่ยนะแช่งการขอให้เธอไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไหมนะสมมติโกรธใครนี่อยากให้เขาเนี่ยเป็นเท้าสักกะใช่ไหมไม่ศัตรูก็ปรารถนาศัตรูว่าขอให้เบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกขอให้มันเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนะรกแต่ว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายศัตรูย่อมไม่ยินดีด้วยการที่สุคติของศัตรูของตนดูก่อนพิสูุทั้งหลายบุรุษผู้เป็นคนขี้โกรธก็เหมือนกันถูกความโกรธครอบงำมีความโกรธออกหน้าย่อมทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและใจเขาครั้นประพฤติความชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกผู้นั้นถูกความโกรธครอบงําก็ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาศนารก พอไรเพราะความโกรธก็เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ก็ได้เมื่อโกรธขึ้นมาก็ลักทรัพย์ก็ได้เมื่อโกรธขึ้นมาเป็นเหตุให้ประพฤติผิดในกามก็ได้เมื่อโกรธขึ้นมาพูดเท็จพูดส่อเสี ย, พยบพูดคำหยาพูดเพ้อเจอก็ได้เมื่อโกรธขึ้นมาพยาบาทก็ยิ่งมีกําลังยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเท่านั้นยิ่งโกรธมากๆเท่าไหร่กลายเป็นว่าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปหรืออีกในหนึ่งที่ให้พิจารณาโทษของความโกรธเป็นต้นว่า คนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมถ้าเราโกรธมากๆเราจะเห็นอริยสัจไหมไม่เห็นเห็นทุกไหมเห็นสมุทัยไหมเห็นนิโรธไหมเห็นมรรคไหมเห็นโพธิปักจยธรรมไหมไม่เห็นพผันความโกรธย่อมครอบงํานรชนขนาใดมีแต่ความมืดบอดก็มีแก่นนรชนขนาดนั้นนะเคยเห็นคนขับรถด้วยความโกรธไหมอย่างนี้ไหมมองไม่เห็นอะไรซากอย่างเลยนะ สัตว์ทั้งหลายโกรธเพราะความโกรธใดแลย่อมเข้าถึงทุกคติคืออบายเนี่ยนะท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งทั้งหลายรู้ดีแล้วจึงละความโกรธนั้นเสียรู้เลยว่าขณะที่โกรธเนี่ยความโกรธเท่ากับเปิดประตูอะไรไว้บ้าง น, นะนะสมมติถ้าเราโกรธบ่อยๆโกรธมากๆแล้วสุขภาพเราจะเป็นยังไงใครทําอะไรนิดๆหน่อยๆเราไปโกรธทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีอายุยืนอยู่ยังมีความสุขไหมบอกตรงกันข้ามหมดเลย นั้นบุคคลพึงละความโกรธพึงสละมานะพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียก็คือละด้วยศีลสมถะเลวิปัสสนาอบรมอริยมัคผ่อมพูนก็สามารถกําจัดความโกรธได้ความโกรธอันหนึ่งสาเหตุก็มาจากมานะความเย่อหยิ่งความถือตัวความลำพองนะพันธก็สละความถือตัวเย่อหยิ่งความลำพองก็สามารถที่จะละความโกรธไปได้นี่นะ ก, ก้าวล่วงสังโยชน ความโกรธย่อมเกล่อให้เกิดความเสื่อมเสียความโกรธย่อมทําจิตให้กําเริบใจนี้ไม่ปกติเลยนะความโกรธเนี่ยคนที่โกรธในใจก็ห่างจากสมาธิเนี่ยนะใจก็มีแต่ความกําเริบ ม, มีแต่ความพุ่งพล้านบอ ว, ว่าขณะที่โกรธเหมือนน้ําสมมุติว่าถ้าเราจะสมมติโบราณเขาส่องหน้าเขาใช้ภาชนะใส่น้ําแล้วมาส่องดูหน้านะ ขณะที่โกรธเนี่ยจะเห็นหน้าตัวเองไหมสมมําหรับเหมือนภาชนะอะไรเหมือนภาชนะน้ําเดือดเดือดไอระเหยล้ออยู่นั่นแหละฉันใดคนที่โกรธเวลาเกิดขึ้นก็อย่างนั้นไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตใจก็กําเริบจิตใจก็ไม่ปกติคนย่อมไม่รู้จักความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วแต่จิตนี้ว่าเป็นภัยใครจะคิดบ้างเนาะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็อยู่ที่ใจเราเนั่นแหละโดยเฉพาะใจที่ประกอบกับความโกรธเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหน อย่าได้ตายตอนนั้นเลยถ้าตายล้วจะไปไหนเนอะเนี่ยนะถ้าตายตอนที่กระลักพลังกโกรธเนี่ยจะไปไหนดีเนาะหรือว่าปล่อยวางเสียแล้วจะตกนรกก็ช่างมันเถอะจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานจะเกิดเผาผันสายไหนก็ช่างมันเถอะทนได้ทุกอย่างทั้นชาติหน้าจะผิวยังไงก็ทนได้ยินดีรับเสมอเป็นต้นเนี่ยถ้าทาใจได้ขนาดนั้นก็ขอเชิญกโกรธต่อไป แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็พยายามที่จะแก้ไขว่ามันมีโทษมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายอันโกรธขึ้นมาก็เหมือนกับดื่มยาพิษนั่นแหละแล้วก็ร้อนรอ น, รนกรวนกวายดูก่อนท่านผู้มีปัญญาดังแผ่นดินท่านจงข่มความผิดพลาดครั้งหนึ่งเสียบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกําลังนะพั้นอย่าไปถือโทษอย่าไปโกรธเลยและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่สามารถกําจัดความโกรธได้ก็คือด้วยการ พิจารณาคนที่มากด้วยกําลังแห่งการพิจารณาเนี่ยจึงจะละความโกรธได้หรือคนที่ละความโกรธได้เนี่ยท่านบอกว่าพูดเป็นขั้นตอนตามวิสุทธิมัสบอกว่าคนที่โกรธเนี่ยนะให้นึกถึงผลเสียของความโกรธถ้าเราโกรธอย่างนี้เนี่ยนะมันเสียหายอย่างไรอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าโกรธเวลาที่เราโกรธครั้งหนึ่งบุญยะกิรยิยาวัตถุเหลือไหมไม่เหลือบารมีสิบมีบ้างไหมไม่มีโพธิปัจฉิยธรรม37เเหลือบ้างไหม ไม่มีศูนย์เสียไปทุกอย่างไปหมดดีนะเนี่ยวิบากกรรมชรูปยังเป็นผลของบุญรักษาเอาไว้ถ้าตายตอนนี้นี่แย่แน่เลยเนี่ยนะรักษาแม้กระทั่งวิบากกรรมชรูปไม่ได้เลยอันนี้คือผลเสียของความโกรธอันนั้นก็โทษพิจารณาโทษเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราโกรธเนี่ยก็อย่างที่ว่าใกล้มรรคผลนี่พานขึ้นไหมไม่มีเลยเนี่ยนะมันผลเสียของความโกรธ อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ดูเอาเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันโทษของความโกรธมีอะไรบ้างคนโกรธย่อมมีผิวพันสามคนโกรธย่อมนอมเป็นทุกข์เป็นต้นเนะคนโกรธไม่รู้เท่าทันว่าความโกรธนี่แหละที่เกิดขึ้นข้างในตัวเองพอโกรธเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์คนโกรธนี่เข้าแล้วก็มองไม่เห็นธรรมถูกความโกรธครอบงํามีแต่ความมืดคนโกรธจะพลานสิ่งที่ทําได้ยากเหมือนทําได้ง่ายพอหายโกรธขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนใจ เหมือนถูกไฟเผาตอนแรกคนโกรธนั้นจะแสดงความหน้าด้านออกมาก่อนเหมือนไฟมีควันเกิดมาก่อนพอความโกรธแสดงเดชทําให้คนนี่เดือดดานได้คราวนี้แหละก็จะไม่กลัวอะไรหิริโอตะปะก็ไม่มีไม่มียางอายไม่มีสัมมาคาวรวะนั้นคนโกรธฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าผ้าหันก็ได้ ฆ่าคนสามัญคนทั่วไปก็ได้ลูกที่แม่เลี้ยงไว้จนดื่มตาลูโลกนี้กิเลสหนาพอโกรธขึ้นมาก็ฆ่าแม้แต่ผู้ให้กําเนิดให้ชีวิตนั้นได้เพราะฉะนั้นความเลวร้ายใดๆที่จะเสมอเท่ากับโทสะไม่มีมีอยู่คนหนึ่งเขาพ่อเนี่ยขี้เมาพ่อขี้เมาก็าไปยั่วลูกเล่นนะล้อลูกเล่นล้อไปล้อมาลูกก็เลยใช้อิโตนี่ฟาดเข้าให้พ่อก็เลยจุติบ นะหลังจากนั้นลูกคนนี้มาทํางานกรุงเทพถูกปัญจันร์เนี่ยทุบสหัวแบนก็แตะหมดทํางานก่อสร้างถูกปัญจันทรเนี่ยมันไม่ตกใส่เสาเข็มใช่ไหมมันตกใส่หัวแล้วก็เลยแบนเลยนะนายที่ก็พ่อก็ไปตามยถากรรมลูกก็ไปนรกเรื่องเกิดไม่ไม่กี่สิ ป, ปีที่แล้วนี่แหละพันคนที่โกรธขึ้นมาพ่อก็ฆ่าได้แม่ก็ฆ่าได้ฆ่าได้โมดเนี่ยนะความโกรธมีโทษ ก่อผลร้ายให้มากมายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมานี้เนี่ยนะโทษมีมากจริงๆนั้นโทษของความโกรธอีกในหนึ่งเนยนะว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยนะมีบาปอะไรบ้างที่เราทาไม่ได้เห็นั้นสงครามทั้งหมดเกิดขึ้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากความโกรธคนที่โกรธเนี่ยนะก็ฉุดตัวเองไปสู่ภาวะแห่งสงครามภาวะที่เลวร้าย นันเวลาที่โกรธสามารถจะล่วงกรรมบททำบาปทำอากุศลได้ทุกประการเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ทำสังฆเพทก็ได้ทำอันตรียกรรมทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ได้ทำได้สารพัดบาปนั้นความโกรธนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายขณะเดียวกันนี่นะถ้าเราโกรธใครถ้าโดยทั่วไปคนที่โกรธมักจะโกรธบุคคลที่เราโกรธใช่ คนที่เราโกรธเขาก็จะมีข้อดีอยู่ในตัวของเขาบ้างไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจาไม่ดีทางวาจาก็ดีทางใจเนี่ยนะถึงงานไม่ดีตลอดไปก็ยังมีดีอยู่ครั้งคราวก็ไม่มีใครเรีวบริสุทธิ์รองมหาโจรก็ยังมีความดีอยู่บ้างในตัวทาไม่มีดีจริงๆก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อะไรหรอกแสดงว่ามีเชื้อแห่งความดีอยู่บ้างแต่มันอยู่ตรงไหนล่ะนะมันจึงไม่มีใครเลวถาวรเลวแน่นอนเลวมหาเลวอะไรจริงๆขนาดนั้นหรอก มันก็ต้องมีความดีอยู่ในตัวเขาบ้างนะถ้าเขาเลวจริงๆอ่ะ น, นะเขาตายไปแล้วเนี่ยนะมีใครเขาเก็บเอาเขาเอาไว้หรอกแต่ก็แสดงว่ามีส่วนดีอยู่ในตัวหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะมันก็ให้ระลึกถึงความดีเขาต้องมีความดีบ้างอย่างน้อยเขาก็มีมงคลอยู่ในตัวตั้งหลายข้อเนี่ยนะเขาไปถึงก็อัปมงคลไปทุกเรื่องรอกยิ่งคนที่เป็นศัตรูเราเขาก็ไม่ได้เลวถึงขนาดที่เรียกว่าเราให้อาภัยไม่ได้เนี่ยนะแต่ความที่ใจของเรานี่ไม่ไม่อยากจะให้อาภายัยอ่ะนะก็เลย ตอกย้ำอยู่ตับความเลวของของเขาบางทีเขาอาจจะเลวแค่นิดเดียวแต่เรานิสัยความเลวต่อเติมซะต่อเติมซะจนเราให้อภัยในใจเราไม่ได้นี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาเลวจริงๆเลยเนี่ยนะเอามถ้าเขาเลวสมบูรณ์แบบชาติหน้ามาเกิดเป็นลูกเราจะเป็นยังไงเราจะทำใจยังไงถ้าเขามาเกิดเป็นลูกเราถ้าเขาเป็นพ่อแม่เราเอา่ะ คนที่เราเกลียดที่สุดเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราชาติต่อไปอย่างสมมุนไพรนะพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่เวรกันนะพระพุทธเจ้านี่เกิดเป็นลูกพระเทวทัตอ่ะในอดีตชาตินีนะมันจะเลวขนาดไหนมันเกิดได้เกี่ยวข้องกันจะทํำยังไงเอนนะไปเกิดเป็นคู่ครองกันเป็นสามีกันเป็นภริยากันเป็นพี่กันเป็นน้องกันไอ้คนที่เราเกลียดที่สุดในที่สุดเป็นนายเราอย่างเงนะเป็นผู้มีอํานาจเหนือเราทุกประการเลยเนี่ยทำไงอ๋ น, นัชีวิตของเราจะเป็นยังไงเพราะคนที่เราโกรธนี่อย่าไปคิดนะบางทีเนี่ยที่บอกว่าเขาเลวจริงๆในที่สุดเราก็ต้องไปอ้อนรอนเขาก็ได้มันก็ให้อะไรนะอย่าไปคิดโกรธอะไรเขามากมายเลยขณะเดียวกันให้พิจารณาว่าขณะที่เราโกรธก็คือสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเนี่ยนะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองนะสร้างทุกข์อะไรบ้างให้แก่ตัวเองทำไมทุกทุกประการที่เกิดก็เกิดจากความโกรธเพราะขณะที่เราโกรธจึงสร้างความทุกข อันรนะว่าสร้างความสมหวังให้แก่ศัตรูบางทีเขาบอกว่าถ้าศัตรูทำทุกข์ที่ร่างกายของเจ้าฉะนไหนเจ้าจึงมาคิดเป็นทุกข์ที่ใจของตัวเองเล่าบางทีนะบางคนเนี่ยโกรธโก ร, โกรจริงก็เขาด่าอยู่แค่คำเดียวนะโสตะวิญ ญ, ญาณอากุศลวิบากเกิดแค่ไม่กี่วินาทีนะแต่ที่เหลือเนี่ยมันนอนโกรธอยู่ได้สามวันเจ็วันเนี่ยนะเครียดตลอดเลยนะันั้น เขาทําทางร่างกายนิดเดียวเนี่ยนะเขาตีเรานิดเดียวอใจของเราเนี่ยนะโอ้ยมากโกรธมาเครียดมาเครียดมาแค้นบางทีเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาแบบทาแค่ความเร็วนิดๆหน่อยๆแต่โอ้ยเรานี่มันเร็วเป็นชั่วโมงชั่วโมงใครมันเร็วกว่ากันนันแน่ในโลกนี้พ บ, บางทีเขาก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเสียหายสักนิดเดียวนะใจเราก็แป้วแล้วนะบาปมาระดมพนันธุ์นทึกไปหมด ความโกรธเนี่ยนะเป็นตัวตัดรากแห่งความประพฤติดีงามทั้งหลายที่เจ้าตั้งใจรักษาจริงๆเนี่ยเคยตั้งใจสมาทานความโกรธไหมที่เออที่แกงไม่โกรธก็ขอให้โกรธที่โกรธแล้วก็ขอให้มันโกรธเยอะๆโกรธให้มันมีแรงที่สุดเท่าที่โกรธได้ตั้งใจอย่างนั้นไหมไม่ได้ตั้งใจก็ตั้งใจที่จะสมาทานศีลไม่ใช่หรือตั้งใจจะรักษาศีลไม่ใช่หรือเอาเวลาโกรธแล้วศีลหายไปไหนหมดล่ะก็ไม่ได้รักษาศีลแล้วมารักษาความโกรธเนี่ยนะ อา้าวเวลาที่ตั้งใจที่จะเจริญตั้งใจเจริญเมตตาไม่ใช่หรือบอกใช่อา้าวหันไปหันมาทําไมเจริญแต่ความโกรธไม่ใช่พราะมิหารนลยนะที่แรกก็ตั้งใจปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อมรักผลนี่พ่านใช่ไหมไอ้เอาไปเอามาทําไมปฏิบัติไปนรกอย่างเงี้ยนะพันกลับทําร้ายประโยชน์ตัวเองทุกประการไปหมดเลย